ตาสังเกตเห็นเนี่ยอินเนี้ยพวกนี้ต้องแก้แก้แล้วก็ไอมันเหมือนเลยอ่เหมือนเด้เลยข้างในเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนอย่างงี้เลยคือแล้วแต่ว่าห้องขังที่ตัวเองสร้างไว้เนี่ยมันได้ระดับไหนถ้าเอาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็นิ่งเงียบอยู่ในพุทโธไม่ยอมรับรู้อะไรอันนี้ห้องขังเป็นพุทโธเลยเอาพุทโธมาเป็นห้องขัง ห้องขังเลยาอจริงพุโทโธเขาแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้แจ้งผู้รู้พ้นผู้รู้แล้วไม่ติดไปกับอะไรเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานตอนนี้พุโทโธเอาไปขังตัวเองนี่เงียบเฉยมันตกกันกล้ามกว่าพุทโธเลยเนี่ ย, ย, ล ย, ยแล้วก็ทาตัวเองกับไปปฝึกถึงขั้นนี้ที่โป่งโลกบบาะสบายก็จะไปติดตัวโป่งโลกเบาวสบายถ้าไปติดนิ่งเฉยว่างก็ไปแช่เอานิ่งเฉยว่างไปสร้างห้องขัง แต่มันหน้าสงสารคือห้องขังเนี่ยมันมันมันขบกุนแจได้ตัวเราเราจะเปิดออกเมื่อไรก็เปิดได้แต่เราไม่เปิดออกเลยนะหลายคนมาโอ้มาแก้แล้ว oh, แก้เดี่ยวสิมากันเน่ะทั้งเวลาเป็นเป็นกันทั้งสำนักเลยนะพากันเป็นทั้งสํานักเลยมานั่งแก้กันเนี่ยเป็นกันมากันเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยแล้วก็เป็นกันแต่ละคนเออมายิ้มแล้วก็นิ่งเฉยเพราะว่ากระทบไม่ได้พวกนี้ยกระทบแล้วของขึ้น กระทบเราประลอดแตกเลยนะพวกนี้กระทบแล้วประลอดแตกปี๊ดเนี่ยกระทบแล้วประลอดแตกปี๊ดกระทบไม่ได้เลยกระทบแล้วใจน้อยใจน้อยเดียวนั่นแหะคนนี้กระทบไม่ได้ใจน้อยเดียวแล้วก็ประลอดแตกง่ายใจสันนี่หมดเลยตกเอาเราบอมีอะไรหน่อยเดียวก็เอาละแล้วก็ใจเนี่ยมันก็ปัญหามันคือซึมเศร้าปัญหามันซึมเศร้าเนี่เห็นไหม ฝนตกฟ้าร้องหน่อยนางร้องไห้ถึงน้องแหละจิตมันจะอดอู่เศร้าฝนตกฟ้าร้องหน่อยนางซึมเศร้าแล้วนง่งนางซึมเศร้าร้องไห้น่ะมันผีดต้องแก่นะจากชีวิตไปปกติอ่ไปฝึกซะจนไม่ปกติไอ้คิดดูดิฝึกเนี่ยฝึกให้มันพ้นทุกข์กับให้มันเป็นปกติแต่พวกเราฝึกไปฝึกมาเนี่ยฝึกชีวิตที่ปกติทําให้มันไม่ปกติ ไปสร้างโลกส่วนตัวไว้ภายในใจก็เรียกว่าเป็นห้องขังหลวตาตั้งชื่อโลกนี้ว่าโลกบ้านน้อยหอยสังรู้จากบ้านน้อยหอยสังเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเด็กเด็กไทยที่จะเรียนเรียนหนังสือนิทานอีศบเรื่องบ้านน้อยหอยสังเวลามีเรื่องอะไรก็ไม่กล้าประเชิญตามความเป็นจริ ง, ง, ร ง, รงหลบก็ไปในหอยสังเวลามีเรื่องอะไรก็ไม่กล้าประเชิญตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาหลบก็ไปในหอยสังหลวตาเรียกว่าโลกบ้านน้อยหอยสัง มันต้องทุบหอยให้แตกมันจะได้ไม่ต้องมีหอยให้หลบเออแล้วเดี๋ยวนี้ยมันก็จะหลุดพ้นออกมาได้แล้วพวกเนี้ยอ้ยมันเวลาที่เนี้ยไม่ได้เราบอกเลยนะว่าพอวันนันเสร็จเราไปเป็นพอเกิดมาพวกนี้ตายไปแล้วก็เป็นไปเป็นชาใอกเกิดแช่ใจสบายอ่ะ ต, ตายแล้วก็ไปโลกเออความจริงมีชีวิตอยู่ไปโลกเออไม่ได้ยอรับรู้โลกภายนอกไม่ทันเขาเลย มีอยู่ในโลกไายนอกไม่ทันเขาไปโลกเ อ, อ๋เปโลกเ อ, อ๋ออพอตายแล้วเกิดบางความหมาเป็นเด็กเ อ, อ๋เลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยกลายเป็นเด็กเอ๋จริงๆอะกลายเป็นเด็กเอ๋เลยเนี่ยมากันเยอะแยะหมดเลยเด็กเ อ, อ๋เห็นไหมมาก็เต็มไปหมดเลยเราเด้อตายแล้วไปปัวนี่มันแช่ใจสบายทั้งนั้นเลยแช่ใจที่โผล่โลกเบาสบายพอเกิดมาเป็นเด็กมีพิติอะ้รเนี่ยมาในเด็กมีปิติทั้งนั้นเลยเนี่ยดูสิเด็กที่โลกเ อ, อม๋มันมีปิติทุกคนเลยะแต่ยิ่ง ตลอดเลยแต่เป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเด็กพิเศษกลายเป็นเด็กพิเศษกันเต็มไปหมดเลยดเดิแล้วยิบเป็นพิธีหมดเลยเด็กอะ่ะอยู่ๆเด็กมีอารมพิธีมีอารมชาบเป็นแถวเลยมีอารมพิธีมีอารมชาบเป็นแถวเลยอะ่ะแต่ยิบแต่เป็นเด็กพิเศษหมดเลยเป็นเด็กพิเศษหมดอะ่ะเรายัางยุคนี้บอกว่าช่วยกันพ่อโลกศิษย์เราช่วยตั้งโรงเรียน ให้กับเด็กพวกนี้หน่อยอชื่อโรงเรียนเอ็กซ์เมนโรงเรียนเอ็กซ์เมนมันเป็ น, ปนแถวเป็นแนวเลยเยอะไป่หมดเลยอ่ะอตายพวกจิตกันแช่สเส ด, ดเลยแล้วก็เนี่ยเราเป็นเด็กพิเศษกันเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยเ <c oughs> ยอะมากเลยเนี่ยเ <c oughs> ล <c oughs> อะเราเจอแล้วภูมิในการภูม <c oughs> ิในการโรงเรียนเราเจอแล้วภูมิในการโรงเรียน <c oughs> เนี่ย ผู้ในการโรงเรียนเด็กพิเศษอยากหาคนที่เข้าใจนะเรากำลังจะสร้างโรงเรียนเรียนเอมนกันมาหน่อยเอาเอาเอาเอาไมหน่อยที่เอาไมให้ให้ให้พูดหน่อยิเอามหมให้พูดหน่อยอะว่าไงสสานิษฐาเนี่ยเราก็แปลกแต่ความจริงนะมันคงจะมีมามากแล้วแหละแต่ไม่มีใครรู้เพราะว่าตอนหลังมันเราเห็น ตัวหลังมันเป็นล่ำลือเนี่ยมาไงก็ไปสาดเต็มไปหมดเลยเนี่ยคือเด็กเด็กเป็นแบบนี้มีเยอะแต่ว่าอาจจะล่าลือมันอาจจะเขาเขาพิเศษว่าเรียกเด็กพิเศษป่ะเรียกเด็กพิเศษเจ้าค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นหลายแบบไม่เหมือนกันเออไม่เหมือนกันครัเราสังเกตดูนะมีเด็กพิเศษประเภทไฮเปอร์เจ้าค่ะเด็กพิเศษเด็กพิเศษประเภทสมาธิสั้นเด็กพิเศษประเภทดาวซินโดมเด็กพิเศษประเภทที่ แบบว่าเก้าล้าวอ่ะก้าล้าวโอ้ก้าล้าวมากเลยแล้วก็เนี่ยมีมีพิเศษแบบเนี้ยแล้วก็ออสซิติกเด็กพิเศษประเภออสซิติกตัวเนี้ยเราสังเกตดูมันมาจากแค่ต่างกันออืแล้วจะแช่อะไรแช่นิ่งแช่เฉยแช่สบายแช่โปร่งโล่งเบาสบายแช่นิ่งแช่เฉยแช่เก็บกดเก็บกดแช่บวกกับเก็บกดเลย วก็จะอลมไายใช่ไหมเจ้าค่ะถ kind of th ้าแช่บวกเก็บกดจะออกมาอารมณ์ร้ายปอ่อารมณ์ร้ายพวกนี้เก่าวร้าเพราะว่ามันเก็บกดไว้ถ้าแช่เก็บกดเนี่ยอันตรายมากเขาธรรมดาทั้งหมดนี่แก้ยากสุดคือแช่เก็บกดเพราะว่ามันไม่ใจมันยังไม่เป็นปิติใจมันไม่เป็นปิติจะมาแก้ให้เป็นปิติเป็นธรรมก็แก้ยากเพราะว่ามันเก็บกดอย่างเดียวนิ่งช่วยไม่เลยนิ่งช่วยนีงเงี้ยแล้วมันชานี่ยก็ไม่เป็น ทำก็ไม่ได้ฟังเก็บกดนิ่งเฉยอย่างเดียวแล้วก็นิ่งเข้าไปพอกดไม่อยู่ยิ่งกดหนักเข้าไปอีกพอมีเรื่องกระทบกดไม่อยู่ยิ่งกดหนักเข้าไปอีกพวกเนี้ยสอนก็ไม่ได้เพราะอะไรมันไม่จะจิตมันไม่เป็นปีติไม่เป็นฌานไม่เป็นอารมณ์สมาธิระดับฌานแล้วมันก็ไม่ได้ฟังทำมายังไม่เป็นธรรมเออพวกเนี้ยแก้ไม่ได้แล้วก้าว้าวพวกนี้ต้องกินยาอย่างเดียว กินยาการหลั่งสารเคมีในสมองเนี่ยให้มันเนี่ะหลั่งสารเคมีน้อยลงให้มันไม่เก้าวร้าวแล้วก็เดี๋ยวพอหมดฤิยากินอีกบริยากินอีกบอกพวกเนี้ยต้องมาฝึ ก, กจิตฝึกไม่ไหวหรอกเพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้เป็นทั้งฌาอารมณ์สมาธิก็ไม่เป็นทํำก็ยังไม่ได้ฟังมามันมีแต่สะกดกจิตคําพบความชาติมาแล้วก็ไม่คือมันไม่ได้เป็นทั้งสมถาะาไม่เป็นทั้งวิปัสนางมันสะกดกจิตอย่างเดียวนิ่ง นิ่งอย่างเดียวเลยนิ่งอย่างเดียวไม่ยอมรับฟังเหตุผลอะไรนิ่งอย่างเดียวใครสอนไงก็นิ่งอย่างเดียวพอบอกให้มาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็พุทโธฆ่าทุกอย่างเลยเอาพุทโธเนี่ยไปฆ่าทุกอย่างฆ่าความคิดฆ่าอารมณ์ฆ่าความรับรู้ทั้งหมดเลยแล้วก็อยู่กับพุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธะสร้างตัวเองอีกตัวเองไว้ในในตัวของเราเนี่ยสร้างตัวเราเองเนี่ย เพราะว่าเอาตัวเอามันไม่ได้เอากายเนื้อไปเข้าห้องขังอ่ะแต่เอาใจของตัวเองเนี่ยไปเข้าห้องขังนิ่งพุทโะพุทโธพุทโธพุทโะพห้องขังมีพุทโธแล้วก็นิ่งเฉยได้นั่นแหละเอาไปสร้างห้องขังไว้แล้วก็ห้องขังตัวเนี้ยไม่ยอมออกมาอแต่แต่ที่สังเกตเห็นเนี่ยที่เคยดูมาถ้าเป็นเด็กดาวเนี่ยมันจะเป็นเด็กปิติเจ้าค่ะจะสบายเดินยิ้มสบายใจนู่นนี่นั่นถ้าเด็กดาวจะเป็นแบบเนี้ยเจ้าค่ะเกือบทุกคนเลยเด็กดาว <c oughs> แล้วดาวเซนโดมเนี่ยโอ้โหแบบว่ากำลังจิตแรงมากเลยแต่มันถูกหุ้มไว้ด้วยไออารมณ์สบายเนี่ย <c oughs> เหมือนกับไปลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือฟองสบู่เนี่ยไปหุ้มไว้แต่ไปลูกโป่งวิทยาศาสตร์โอ้โห ท, ที่เหนียวที่สุดในโลกที่มันที่มันไม่ขาดที่ความยึดถือเนี่ยมันไปหุ้มจิตที่มีกำลังไว้เนี่ยพวกนี้แปลกมากเลยเวลาพอขนาดจิตที่มันเนี่ย แตกฟองธบบู่แตกเนี่ยไอ้ลุโป่งยาศาสตร์ที่เป็นเหนียวมากเนี่ยแตกแค่ น, นั้นแหะโอ้โหจิตมันสว่างปุ๊บเหมือนไอ้ไฟช็อตเลยแต่เสี้ยววินาทีเดียวนั่นแหละไออารมณ์สบายเนี่ยมาหุ้มเลยมหุ้มมันรู้สึกว่ามันขาดตรงนี้ไม่ได้แล้วมันก็มาหุ้มเหมือนไอ้ฟองต บ, บูปลุโป่ยาศาสตร์หุ้ปุ๊บเลยหุ้มปุ๊บเลยแหะไอพวกเนี้ยแก้ไม่ได้เพราะอะไรมันเอาความสบายเป็นเป็นบ้านของใจ เอาความสบายเป็นบ้านของใจพอมันรู้สึกว่าฟองสบู่แตกปุ๊บเดี๋ยวมันต้องรีบกลับมาเลยกลับเข้าบ้านเหมือนไกบ้านน้อยเหอยสังอ่ะรีบกลับเ ข, ข้าบ้านทันทีเลยออกปุ๊บรู้สึกว่ากลัวไม่มีอะไรอยู่อะไรพวกเนี้ยจะเจอความสุขไม่ได้เลยความสุขเสี้ยวเดียวในในจิตแวบคือมานหลุดออกมาแล้วมีความสุขที่สุดในชีวิตที่ไม่เคยเจอแต่พวกนี้กลัวมากพอเห็นความสุขแล้วโหยหาปุ๊บมันหุ้มเลยอัตโนมัติแล้วพวกนี้จะกลายเป็นอย่างนี้พอพอมันสุขในจิตนิดเดียวมันจะกลัวมากเลยเพราะมันเจอแต่ความทุกข์ตั้ง มันซับซ้อนมากเลยในจิตของพวกเนี้ยออืเข้าไปเอางในแล้วซับซ้อนความคิดของเขาอเงื่อนไขที่เขาแจ่ไว้ข้างในมันจะเปิดห้องขังออกมาเนี่ยเอาตัวเองไปซ่อนไวในห้องขังแล้วแต่ว่าห้องขังที่เองสร้างไว้อะไรแล้วก็ห้องขังเนี่ยที่บอกว่ามันเหมือนกับนี่นั่นน่ะถ้าเป็นมโนเป็นมโนภาพภายในอ่ะเหมือนจิตใจขอตัวเองอ่ะเหมือนสร้างตัวเองตัวหนึ่งเอาไปเอาไปเข้าไปห้องขังสถานีตํารวจอ่ะ แล้วแต่ว่าจะเอาอะไรเป็นห้องขังนะเอาจิตลักษณะยังไงเป็นห้องขังแล้วก็แต่ห้องขังสานเจ้าหน้ารวจคนอื่นก็เป็นคนล็อกประตูแต่ตัวเนี้ยตัวเองเป็นคนล็อกประตูเอากุญแจไว้ข้างในห้องขังเจอแล้วขนาดจะเปิดออกก็ออกได้แต่ไม่ไม่ยอออกมาเนี่ยพวกเนี้ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมากมายเลยแต่ประเทศคงเยอะแต่ประเทศไทยไม่ไม่มีโรงเรียนรองรับเด็กพวกนี้เป็นกันมากมายไม่มีโรงเรียนรองรับรัฐบาลก็ ไม่ได้สร้างอะไรรองรับเป็นภาระกของพ่อแม่แต่พ่อแม่เข้าใจลูกก็ดีถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจลูกเสียหายย่อยยับเนี่ยไม่มีโรงเรียนใดที่ที่สร้างเรียนมาเพื่อโรงเรียนเพื่อเด็กพวกนี้ที่มาช่วยเหลือเด็กพวกนี้อย่างจริงจังจให้อยู่ในโลกนี้ได้แล้วก็ฝึกฝนจิตใจของเขามันจะต้องมีโรงเรียนที่มารวมกันแต่โรงเรียนพวกเนี้ยก็ลําบากคือว่าเด็กพวกนี้เป็นเด็กพิเศษมันแยกประเภทพิเศษอย่างตว่าเนี่ย พิเศษประเภทไฮเปอร์พิเศษประเภทดาวเซนโดมพิเศษประเภทออซิติกพิเศษประเภทสมาธิสัน้นเอพิเศษประเภทเก้าวลาวโอ้ยมีหลายอย่างหลายพิเศษเ น, นี่ยมันเวลาแยกแย ก, ยแยกของเลียนแยกขรูแยกอะไรเนี่ยแยกกิจกรรมต้องแยกกันขาดเอาอีกอ่ะโอ้ต้องคนที่ดูเก่งละเอียดมากเลยอะ <S <S <S อ้าวหมอรับนายวายไปสร้างเรียนมันแทบจะไม่ได้เนี่ยมันต้องตัวต่อตัวหนึ่งต่อหนึ่งเลยแต่ละคนไม่มีใครเหมือนกันเลยเจ้าค่ะมันยากต้องหนึ่งต่อหนึ่งเนี๋ยถ้าจะเด็กวายเมื่อกี้ดีว่าเขามาก่อนใครไงเขามาก่อนอย่างไดอย่านั้นอ่ะแล้วก็ถ้าบางคนจะย่อมันโอกาสไม่มีโอกาสคุยแล้ว ในี่เขามามามาอย่าได้มาเขามาแล้วก็เพิ่งกลับไปเพิ่งกลับไปแต่แต่เด็กพวกนี้เนี่ยถ้าพ่อแม่เขาช่วยเน่ะแล้วหรือว่าช่วยทําบุญหรืออะไรพวกนี้มันจะแก้ได้ไหมเจ้าค่ะหตามันแก้ไม่ตรงทางมันไม่ได้แก้ที่จิตแก้ที่จิตแก้ที่จิตที่ตัวของเขาเองเราควรฝนที่ตัวเองตัวอะไรอือ พวกเ m e n มเล่นอะไรกันพวกอเมนเล่นอะไรกันอพใจว่ามันน่ากลัวเนี่ยไปฝึกกันผิดๆอย่างเงี้ยไม่มีครูบาอาจารย์อ๋อาใจไหมะไ จ, จะแก้ไงอ่ารูสแก้จะแก้ไงเข้าใจได้แก้ไงตอนนี้เอาต้องแก้แก้ความเข้าใจนะสำคัญที่จะไปคนโตล้วต้องแก้ความเข้าใจแก้ใหม่ให้ถูก แก่ขเขาก็ใจใหม่ถูกต้องต้องปฏิบัติยังไงเอาไว้ตอนนี้ก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าผมจะต้องแก้ยังไงครับก็คือเดี๋ยวจะลองอ่านหนังสือนี้ดูครับว่าต้องต้องต้องต้อ ง, องปรับยังไงบ้างแต่การปฏิบัตินี้ยังเหมือนเหมือนเดิมได้ไหมครับเรื่อง ตรงตรงนั่งสมาธิตรงอะไรนู้นเลิกไปก่อนเลยเลิกไปก่อนนี่เดี๋ยวกลับไปนั่งสมาธิกดนิ่งเฉยอีกต้องเลิกไปก่อนเลยอา่า <c oughs> นหนังสือก่อนฟังซีดีซะก่อนให้มันถูกให้มันชัดเจนในใจซะ ก, ก่อนว่าทางเดินใหม่เป็นยังไงครับ <c oughs> เราให้รู้จำเพียงว่าไอ้ที่เราปฏิบัติมานี่ยมันผิด <c oughs> เอาใหม่เลยล้างล้างความรู้เก่าทิ้งแล้วก็อา่านหนังสือเนี่ย <c oughs> อา่านหนังสือเนี่ยฟังซีเนี่ยใหม่ตั้งแต่ปัจจุบนันนะทางแต่ปัจจุบันไปเพราะว่าไอ้ไอ้ทีไ่ไม่ฟังให้ไม่ฟังแรกแรกเพราะว่าแรกแรกมันมันสอนเนเรื่องสมถะ สอนการนั่งสมาธิรวมกันเรียงมาตามลําดับคือสมถะวิปัสนาแต่อันนี้มันฝึกสมถะแต่สมถะที่ผิดมาแล้วจะไปฟังอีกมันนึกว่าถูกกลับไปอีกให้ฟังปัญญาก่อนฟังปัญญาให้เกิดความเข้าใจก่อนจึงไม่ให้ฟังสมถะก่อนเพราะว่าพอไปฟังปุ๊บมันจะตีเอากลับมาเนีู้ต่อหน้ายังเอากลับมาเป็นความเห็นเอาไปเป็นของตัวเองพูดซ้ําอีกก็เอากลับมาเป็นของตัวเองเองมันจะแปรความผิดแล้วเอากลับไปเอาไปเป็นของตัวเองโอ้ oo, ใช่เลย ใช่เหมือนกับที่เราปฏิบัติเลยอ่านฟังไปใช่ใช่เหมือนแต่จริงไม่เหมือนเนี่ยพอถามกลับไม่เหมือนแต่คนครับเพราะฉะนั้นจะไปฟังสม ร, รมะแล้วก็ตอนนี้ให้ให้พักไปก่อนครับครับพักการทํารรมะไปก่อนนะแล้วก็ให้อ่านเล่งอ่านเล่งทําเล่งเล่ ง, ล ง, ลงทําความเข้าใจหนังสือในซีดีเนีให้มันเข้าใจซะก่อนแล้วก็ทิ้งในความเห็นผิดอันเก่าไปก่อนแล้วจู่จังชัดเจนแล้วรีบกลับมาหามาสอบทานกันใหม่ครับ เข้าใจั้ยล่ะนี่ไม่ค่อยจะนั่นไม่ค่อยจะฟังเมือกันไม่คยจะยอมจิตไม่ค่อยจะยอมเอา้าว่าไงเอาเอาๆจะเจนนี่นี่ก็ยั้งยอมจะกลับไปตั้งต้นใหม่ค่ะ ถ, ถ้าถ้าโยมก็ทำเหมือนอย่างนี้ไหมครับคือทุกวันนี้โยมสวดมน์นะคะแต่ว่าระหว่างที่สวดมน์เนี่ยใจมันก็ไม่เป็นสมาธิแล้วค่ะมันก็จะคิดออกนู่นออกนี่ตามระเบียบอีกอะค่ะ ก็กลับมาสวดมนต์ใหม่แล้วมันก็ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อีกก็กลับมามันจิตมันไม่มีสมาธิเลยอ่ะค่ะเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวครูก็จะมาต่อว่าเลยปฏิบัติการยังไงสวดนมนต์ก็ไม่ให้สวดนัตตบาร์ทีก็ไม่นำเหมืเวลาฟังไปฟังตัดตอนไปฟังไม่ฟังว่าเราแก่อือคือตอนนี้พักไปก่อนสวดสั้นๆกลับพระสวดมนต์สั้นๆแล้วก็อย่าไปนั่งสมาธิ อ่านหนังสือให้มันจบทุกเล่มแล้วก็ฟังซีดีให้จบทุกเรื่องตั้งแต่ฟังตั้งแต่อาจปัจจุบันลงไปแล้วตั้งใจฟังจริงๆจะไปเปิดเป็นเพื่อนทํางานนะทํางานไปเปิดฟังไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องตั้งใจฟังจริงๆว่ามันเราผิดเราผิดแล้วให้รู้ว่าอันดับแรกคือเราเนี่ยปฏิบัติผิดมาหมดแล้วเราไปตั้งใจฟังจริงๆว่าเขาสอนว่ายังไงแล้วมันจะว่าเราก็พอฟังไปแล้วเราก็ทําอย่างเก่าฟังไปแล้วเราก็ทําอย่างเก่าต้องพักไปก่อน้องเราว่ามันผิด เราต้องฟังให้เข้าใจก่อนอืฟังให้เข้าใจให้สมาธิเนี่ยไปอยู่กับการฟังแทนสมาธิมาอยู่กับคําบริกัมพุโตพุโตพุโธหรือว่าสมาธิมาอยู่มาอยู่กับไอส้สวดมนต์ให้มากเขาไว้อัดแน่นเขาไว้เปลี่ยนสมาธิใหม่เป็นสมาธิมาอยู่การฟังการอ่านหนังสือเข้าใจไหมเปลี่ยนสมาธิใหม่มาอยู่กับการฟังการอ่านหนังสือแต่ไม่ใช่ว่ามาฟังเสียงเอาสมาธิมาอ่านหนังสือเอาสมาธินะคือ เปลี่ยนให้ใจเนี่ยมาอยู่สติปัญญาสมาธิมาอยู่กับสติปัญญาที่ทําความเข้าใจในการอ่านหนังสือและการฟังเปลี่ยนสมาธิใหม่ให้มาอยู่ที่สติปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าเอาสมาธิไปอยู่กับเสียงเสียงที่ดังน่ะเสียงเสียงธรรมะที่ฟังแล้วก็ไปอยู่กับหนังสือที่อ่านแล้วใจไปสมาธิไปเรื่อยแต่อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องฟังซีดีไม่รู้เรื่องฟั ง, งฟังธรรมะไม่รู้เรื่องหลายคนเชอบทำเนี่ยพอพเอเปิดเราสังเกตดู เราเปิดเอาเปิดธรรมายฟังก่อนพอเปิดปุ๊บนั่งหลับตานิ่งใช่พอจบแล้วเป็นไงบ้างอาช่วยอธิบายที่เมื่อกี้ก็ว่าไงในในในซีดีไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องเลยจริงเราไม่ได้ฟังอ่ะแปลกมากเลยอ่ะเวลาพอเปิดเสียงให้ฟังปุ๊บมันเป็นอัตโนมัติเลยพอเปิดเสียงธรรมายให้ฟังปุ๊บนั่งหลับตาเข้าสมาธิเชยแล้วพอ อ้าจบแล้วเหรออ้าวจบแล้วออกมาไม่รู้เรื่องจะเป็นอย่างนั้นนะคือให้สมาธิเนี่ยมาอยู่กับสติปัญญาแทนว่าสติปัญญาเนี่ยเข้าใจอย่างไรสมาธิเรากลับมาอยู่กับสติปัญญาเปลี่ยนใหม่อย่าไม่ใช่ว่าเอาเสียงเอามาเป็นเป็นสมาธิแล้วก็ใจนิ่งสงบใจฟังแล้วใจสบายนิ่งเฉยดีเราชอบฟังใจสบายนิ่งเฉยอันนี้ผิดนะผิดฟังแต่มาล้วใจนิ่งเฉยสบาย บางทีมีพิธีน้าาําตาไหลพลาพลาวลาเจาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะนนี้ ผ, ผิดผิดผิดมันจะหลงไปเออแต่ถ้าธรรมะมันโดนใจแล้วน้ําตาไหลโอ้ยแบบไอ้ที่เราติดขัดมานานเราหลงมานานมันโล่งไปหมดเลยน้ําตาไหลเกิดจากการโล่งได้ปัญญาปิ๊งขึ้นมาเนี้ยถูกเนี้ถูกแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ปิ๊ง ป, งปังอะไรพอฟังก็เริ่มเลยพอเสียงพอเสียงลงตาเท่ก็ น, น้าานําตาไหลนั่งวางเยอะ อย่างเงี้ยอย่างเงี้แช่เสด็จหลงมันม่นจะเป็นต้องไปเสียงลงตาบางทีเป็นเสียงที่เราสรัทธาองค์ไหนฮะบางคนจะชอบมากเลยอ่ะอะไรเปิดเสียงสวดมวนต์เป็นภาษาจีนว่าเปิดเสียงอะไรที่ฟังไม่รู้เรื่องบ้างมึงอะไรแล้วก็เปิดเสียงไอ้ของครูบาอาจารย์ที่ที่ทเวลาพูดเนิบเนิบเมนแล้วก็น้ำตาไหลอย่างเงี้ยไม่ได้กวับไม่ได้สมาธิมาอยู่กับสติปัญญาเลยอ่ะจับอารมณ์ ดิ่งไปเลยน้ําตาไหลเป็นพิติใจสงบดิ่งเจอพิธีก็น้ําตาไหลไปเลยพอได้ยินเสียงแค่นั้นแหละเริ่มต้นก็ไปแล้วอันนี้ผิดนะเนี่ยอันนี้ผิดผิดมหาศาเลยผิดต้องไอสมาธิเนี่ยต้องมาอยู่กับสติปัญญาที่กูยิ่งเข้าใจฟังแล้วยิ่งเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจปิ้งไอที่มันเคยโง่มันมันเคยไม่เข้าใจอะไรที่เข้าใจผิดผิดที่ใจมันเป็นทุกข์มากๆมันโล่งเอาไปเลยโล่งมันเหมือนไอ มันโล่งไปเลยอ่ะมันโล่งไปหมดเลยหน้าอกหน้าใจหัวเหยมันโล่งไปหมดเลยปิง้งมันปิง้งขึนมาเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน้ำปตาไหลเพราะว่าปิง้งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ใช่เข้าใจไหมไปแก้นะแล้วน้องสามีอะไรสงสัยถามไหมคืออย่างการนมัสการหลวงตาค่ะก็คืออย่างเมื่อกี้ค่ะที่หลวงตาบอกว่าของกรณีโยมก็คือจะติดไปกับความคิดแล้วก็อารมณ์ ไม่ไม่ไ ม, ไม่ทันไม่ทันตัวนี้ค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ฟังหลวงตาพูดก่อนหน้านี้ค่ะก็เลยทราบว่าตัวเองขาดเครื่องล่อซึ่งซึ่งตัวนี้ทำให้แบบว่าบางทีเราเกิดความคิดปุ๊บเนี่ยแรกแรกก่อนหน้านี้ที่จะมาฟังซีดีโ์ของพระหลวงตานะคะคือหนูชอบไปตัดตอนหนูก็เลยรู้แล้วว่าหนูเลยไม่ได้เรียนรู้ขบวนการธรรมชาติที่มันปรุงแต่งอะคะ่ะก็เลยก็เลยเหมือนกับว่า ก็เลยปล่อยตัวเนี้ยและครัเนี้ยมันเหมือนกับว่าที่ว่าหลวงตาบอกว่าหนูปล่อยไปกับอารมณ์เพราะว่าหนูเข้าใจแล้วว่าหนูไม่มีเครื่องล่อค่ะมันเหมือนกับมันไม่มีกำลังพอพอถ้าเกิดหนูมีเครื่องล่อใช่ไหมคะพอหนูเห็นมันไปปุ๊บเนี่ยหนูก็จะกลับมามีสติรู้ตัวรู้ว่าไปแล้วยางงี้แล้วอย่างเนี้ยสมมติหนูจะทราบได้ยังไงว่าหนูถลัไปแล้วหรือว่าจะทายัางไงให้ทัน เร็วขึ้นอย่างที่หลวงตาบอกว่าต้องรู้ให้เร็วขึ้นนะคะคือเราไม่ไป ไ, ไปจะไปฆ่าก็เราเราจะไปไปตามเครื่องรอพุโทโธฆ่าเขาไม่ให้ใจมันหลงไปกับหลงไปคิดลงไปนั่น ไ, ไปฆ่าความคิดฆ่าอารมณ์เรกเราก็คอยให้ใจเราเนี่ยพุโทธโธพุทโธมีเครื่องรอเราสังเกตว่าเวลาหลงมันเป็นไงหน้าตามันนะเราจะได้เรียนรู้จากที่ความหลงมันจะไปกลัวอยกกู่กความหลง ให้เรียนรู้จากหน้าตาที่เราลงไปว่าใจมันไม่อยู่กับตัวมันไปอยู่กับเขาเนี่ยมีลูกไหมเราไม่มีค่ะไม่มีลูกทำไมแต่ใจมันมนส่งออกมาะจิตมันส่งออกนอกเพราะอะไรอ๋อหนูคิดว่าก่อนหน้านี้หนูมีเรื่องหนักพอสมควรค่ะก็เลยก็เลยได้เห็นถึงตรงที่เราไปยึดแล้วมันเป็นทุกข์มันก็เลยเหมือนกับแบบว่ามาเจอซีดีของหลวงตาพอดีค่ะมันก็เลยเหมือนกับ พยายามทําตามที่หลวงตาบอกไว้ในนั้นนะคะคือของเราเนี่ยมันมันเนี่ยไม่ไม่ได้นิ่งเฉยเหมือนพี่สาวแต่ของเราเนี่ยใจมันไม่อยู่กับตัวเอาใจไปอยู่กับเขาเออมันความทุกข์เพราะทุกข์ว่าใจไม่อยู่กับตัวแต่เอาใจไปฝากเขาก็อยู่กับเขามันก็เลยเป็นทุกข์เลยเนี่ยของเราเนคนละอย่างกันอีนี้เราก็พุะต๊ะพรโต๊ก็แค่สังเกตเห็นว่าเออใจไม่อยู่กับตัวเป็นทุกข์แบบเนี้ย เอาไปฝากเขาเป็นทุกแบบเนี่ยเราก็เรียนรู้เราก็เอ า, เอากลับมาอยู่กับเครื่องรอพุทโธพุทโธไว้แล้วเราสังเกตเออว่าใจมันไปอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับเครื่องรอไว้แล้วก็เออรู้สึกว่าเออมันไม่วุ่นวายดีมันไม่วุ่นวายต่อไปถ้าใจมันอยู่กับตัวแล้วก็คือว่านั่นแหละก็เรียกว่าเป็นพุทโธแล้วโดยไม่ต้องใจ้ําบริกรรมช่วยแต่ถ้าเรายังไม่มั่นไม่แน่ใจเราก็ ว, าว่ามันอยู่กับตัวหรือไปกับเขาวะแล้วก็ให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไว้รู้สึกตัวไว้แล้วเวลามันไปอยู่กับเขาเราก็สังเกตเอาอ่ะ มันแตกต่างกันเราบอกมันไปกับเขาแล้วกลับไปอยู่กับอยู่กับตัวเรามันไม่เหมือนกันเลยแล้วก็สังเกตเรียนรู้ค่อยๆดนสติปัญญาสังเกตเอาว่าการที่ใจเราไปอยู่กับเขามันมีลักษณะแบบนี้การที่ใจเราไปอยู่กับตัวมันเป็นอย่างนี้การใจไปอยู่กับสิ่งโน้นสิ่งนี้มันเป็นทุกอย่างนี้การอยู่กับตัวเป็นสุขแบบนี้เนี่ยเราก็เรียนรู้จักของจริงเอเรียนรู้จักของจริงแล้วเราจะไปู้มีสติปัญญาแต่พี่สาวเนี่ย เล่นกดอย่างเดียวเลยอ่ะไม่เอาสติปัญญาเลยสะกดให้มันมายอมไม่อยากให้มันไปเกลียดมันมากเลยเกลียดมันมากจิตที่มันออกไปจิมันฟุ้งซ่านเกลียดมากเลยเนี่ยเกลียดมากๆบอกเลยเนี่ยบอกว่าเกลียดมากๆเลยอย่างนี้ก็ทำพุโตก็ฆ่าจะเด็จเลยไปฆ่าความฟุ้งซ่านจะเด็จเลยไม่ให้มันไปไม่ให้มันฟุ้งซ่านไม่ให้มันอะไรเลยนิ่เงียบกิฟตเลยอันนี้มันคนละเรื่องกันเราต้องการให้เกิดสติปัญญานี่จะไปฆ่าเขาหมดแล้วมันจะไปเกิดสติปัญญาอะไรแล้ว พอใจไหมเออแต่น้องสาวเนี่ยผู้สอนเข้ใจง่ายเราดูแล้วดพูดเราเข้าใจง่ายคือต้องการให้เกิดสติปัญญาที่จะเรียนรู้ว่าการที่ใจของเราไม่อยู่กับตัวมันเป็นอย่างไรแล้วเราก็กลับมาเอาใจมาอยู่กับตัวแล้วมันเป็นอย่างไรเออมันมีลักษณะแตกต่างกันไว้แล้วก็ใจมันเวลาใจไม่อยู่กับตัวมันเป็นทุกข์แบบนี้ไว้ใจมาอยู่กับตัวแล้วเออมันก็ไม่ทุกข์อย่างนี้ไว้เออล้วก็เรียนรู้จากของจริงเนี่ยจนกระทั่งเออแล้วต่อไปมันก็จะเข้ามันก็จะเข้าใจด้วยใจว่า อย่างนั้นอยู่ก็อยู่กับตัวดีกว่าวให้ใจมันอยู่กับตัวสบายใจดีกว่าอยาอาใจไปอยู่กับเขาเชื่อเขาคิดได้แต่หยอาใจไปฝากเขาเช่วยเขาคิดได้เขาละเขามาปรึกษาเราก็ช่วยเขาคิดได้แต่ไม่เอาใจไปอยู่กับเขาก็เหมือนพวกท่านเนี่ยดูที่ ม, ม, มาหาเราแต่เราก็มีปัญหาทั้งอะไรมีปัญหาเรื่องลูก mett, เรื่องตัวเรื่องหน้าที่การงานเรื่องนู้เรื่องนี้แต่เราไม่ผูกด้วยเราไม่เอาใจไปอยู่ด้วยแล้วเอาใจไปอยู่กับพวกท่านเราปวดหัวตายเราก็เอาใจอยู่อยู่กับใจของเราเองดีกว่าแต่เราก็ปรึกษาทุกคนคนมาหาเราอ่ะทั้งเช้าเย็นเช้าเย เนี่ยเนี่ยแล้วเราคนมีปัญหาแ ต, ตากต่างกันไปเราก็มีแต่ให้คำปรึกษาแต่ไม่ไม่เราไม่เอาใจาไปอยู่กับพวกท่านน่ะแต่ของเราเนี่ยเอาใจอยู่กับเขาเลยไม่ได้ให้ใครคำปรึกษานะเราไม่ได้คำปรึกษาอย่างเดียวแต่เราเอาใจอยู่กับเขาเอาไปไ ป, ไปขั้แรกนะร่วมสุขร่วมทุกข์เอาใจไปร่วมสุขร่วมทุกข์ แต่สุกก็ไม่ได้ไปสุขกับเขาหรอกแต่ร่วมทุกเออ้าร่วมสุกร่วมทุกข์ก็ยังพอได้สุกบ้างแต่นี้มันเป็นร่วมทุกอย่างเดียวเลยไปทุกแทนเขาเพราะคนมันจะไปสุกมันขนาดไหนมันก็เออคนสุขก็ต้องคนปฏิบททัติธรรมใจพ้นทุกข์คนยึดนันถึงจะสุกแต่นี้ยเราไปใจไปอยู่กับเขาที่มันไม่ได้ปฏิบททัติธรรมเพราะสิ้นยึดอนะ่ะมันเลยเป็นร่วมทุกอย่างเดียวไม่ได้ร่วมสุกหรอกเข้าใจไหมก็ <ใจ S 2> เรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยในจิตมันก็เข็ดเองเนี่ย ตอนนี้เนี่ยตอเข้าใจเข้าใจอย่างนี้เรียนรู้จากการเข้าใจอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าพยายามตัดตัดไม่ให้ไปคิดถึงลูกไม่ให้ไปห่วงใยลูกไม่ให้ไปห่วงใยสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ไปกังวลกับเขาแต่ให้เห็นโทษมาสังเกตเห็นว่าใจไปอยู่กับลูกไปห่วงใยลูกไปกังวลมันเป็นทุกข์เนี่ยเนี่ยนั่งพิงข้างฝาอยู่ขนาดหลังหลังมีที่พิงยังใจลอยได้ คิดแต่เรื่องลูกคิดแต่เรื่องนั้นนะไม่คิดไม่อยู่กับตัวหรอกขนาดมีหลังพี่้องฝาดแต่ใจไม่อยู่ด้วยใช่เออก็อใจไม่เนี่ยเนี่ยอื เขาพูดนี่เข้าใจตรงไว้เนี่ยยิ้มเงี้ยเอายิ้มเตืบายฟังเขาพูดนี้เข้าใจตรงไหมอ่ะมันจะได้กลับไปไม่ปฏิบัติผิดเอาเข้าใจยังไงแต่อธิบายกลับมาสิก็เดี๋ยวกลับไปไไกลับไปก็จะทําตามที่หลวงตาแนะนํามาค่ะว่าฟังซีดีค่ะแล้วก็หมายถึงว่าทําความเข้าใจกับซีดีที่หลวงตาเทศไม่ใช่ว่าไปทําความสงบ ค่ะแล้วทําความเข้าใจแล้วเนี่ยพูดไม่ออกขอมันจิตมันนิ่งใช่ไหมนิ่งจะเคยแล้วก็พูดไม่ออกแหละเห็นไหมเมื่อกี้เราคุยกับน้องสาวเนี่ยข้างในก็คิดแต่เรื่องของตัวเองแล้วไปฟังทีดีก็ไม่ ไ, ไม่ค่อยได้ผลอย่างเงี้ยฟังทีดีอ่านเสียงไม่ค่อได้ผลเพราะว่ามันไปคิดแต่เรื่องของตัวเองแล้วก็ อ่านเราฟังก็จะไปเป็นของตัวเองดึงของเราไปเป็นของตัวเองไม่ไ ม, ไม่จำความเข้าใจตามแต่กลายเป็นเอาความเข้าใจของเราเนี่ยไปเป็นของตัวเองแล้วก็ทําอย่างตัวเองตัวเอ ง, เองทำเมื่อกี้เราสังเกตอะไเห็นเราคุยกับน้องสาวนะคิดในเรื่องตัวเองอที่ที่หลวงตาว่าคิดถึงตัวเองหมายถึงว่าเปรียบเทียบกับของตัวเองหรือเปล่าใช่ใ ช, ใช่ไหมคะนั่งเปรียบเทียบไม่ได้ฟัง ในเวลาพอฟังดีๆเราเดี๋ยไปเปรียบเทียบกับตัวเองในฟังน้องก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองมไม่ได้ฟังเราบอกให้ล้างของเก่าทิ้งล้างของตัวเองทิ้งแต่นี่ไม่ล้างทิ้งเอามาเปรียบเทียบกับของตัวเองมันก็กลับไปเป็นของตัวเองอีกเราเห็นเลยเนี่ยขนาดอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยขนาะอยู่ต่อหน้าเราเราพูดเนี่ยมันยังล้างออกไปได้เลยเนี่ยกลับไปเป็นของตัวเอง เดี๋ยวไปฟังสีดีหนังสือมันจะดึงกลับไปเป็นเขาตัวเองหมดเลยเราบอกให้ล้างของตัวเองทิ้งเอาใหม่มันไม่ถูกจะไปเปรียบเทียบมันจะเปรียบเทียบก็เอาของตัวเองไว้อสิเราของคนอื่นเอาเปรียบเทียบเนี่ยหลายคนชอบทําอย่างเนี้ยปฏิบัติแล้วก็เอาของตัวเองตั้งไว้แล้วเขาคนอื่นมาเทียบตัวเองหน่อยเนี้ยแต่เอาของตัวเองตั้งไว้เยอะเลยแล้วเขาคนอื่นมาเปรียบเทียบนิดนึงเนี่ยเราบอกใหลาของตัวเองทิ้งแล้วตั้งใจฟังฟังให้ดีฟังของเขาให้ดีถ้าถ้าอย่างดวงตาบอกจริงค่ะเพราะว่า อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโยมฟังซีดีหลวงตาแล้วก็มาแบบเหมือนเทียบกับตัวเองใช่ค่ะอย่างที่หลวงตาว่าเลยไม่ต้องอาทิตย์ที่ผ่านมาตีต่อหน้าแด้แดเนี่ยนั่งอยู่นี้อ่ะต่อหน้าแล้เนี่ยจะล้างยังไงคะหลวงตาบุออออรีอองในฉลาดไว้อ๋อแผนนี่ละ่ะม า, าเราลืมไปแล้วเนี่ยแผนที่ฐานเนี่ย ล้างนี uh ่เลยอธิษฐานหลวงพ่อพธรมประสงค์ล้างนี่หมดเลยเนี่ยเนี่ยเนียอะเราก็ลืมไปเลยอ่ะอ่ะเอ่ออ่นางอธิษฐานดว่าน้าไปรัพ่อพระธรรมประสงค์เนี่ยล้างเลยอ่ะ